จิตประพัสสอนเป็นอย่างไรจิตประพัสสอนเป็นจิตที่ปลอดจากอารมณ์คือจิตซื่อๆไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมันเป็นธรรมชาติจิตธรรมชาติดั้งเดิมเมื่อมันไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายมันก็ซื่อๆอยู่เฉยๆแต่เมื่อมีร่างกายขึ้นมาแล้วมันก็เศร้าหมองผ่องแพ้ว เพราะอาศัยกิเลส ท, ที่จอนมามันเป็นจิตที่สะอาดมาแต่ดั้งเดิมแต่มันไม่บริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ผ้าขาวเพราะว่าเป็นผ้าที่สะอาดแต่มันยังสามารถย้อมให้เป็นสีต่างๆได้จิตประพัฒน์สอนก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันอยู่นิ่งๆเฉยๆมันก็เป็นประพัฒสระมิทงังภิกเวจิตตังเมื่อมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมา ถ้ามันปกติธรรมดามันก็เป็นประพัสระมิทังภิขเวจิตตังเป็นจิตประพัฒสอนเหมือนกันถ้าเกิดยินดียินร้ายขุนมัวมามันก็เป็นจิตไม่ประพัฒสอนเพราะอาศัยอุปกิเลสที่จอมาปรุงแต่งให้มันเปลี่ยนสีสันวันณะไปต่างๆจิตที่ไม่ประพัฒสอนมีอกุศลเป็นเครื่องปรุงแต่ง จิตประพัดสอนเป็นจิต ท, ที่กุศลปรุงแต่งแต่เรามองดูแล้วก็เหมือนกับจิต ท, ที่บริสุทธิ์สะอาดเมื่อปัญญาเรายังอย่างไม่ถึงแต่เมื่อปัญญาเรารู้ซึ้งถึงแก่นของมันแล้วอ้อมันยังมีกิเลสมัวมัวอยู่แต่มันไม่แสดงออกถ้าจะว่าตามวิชาจิตวิทยามันน่าจะเรียกว่าจิตใต้สำนึก